รู้สึกตัวไว้นะอย่าใจลอยพวกที่นั่งข้างนอกอ่ะจะเข้ามาข้างในนี้ก็ได้นะถ้าใครอยากเข้ามาก็ขาเข้ามามีที่ว่างอยูนะ่อย่าแย่งกันนะที่ตรวนี้ ทางโน้นก็นั่งได้นะกอนั่งให้สบายนั่งขัดสมาธิอะไรก็ได้เวลาเทศจามีช่องโบวไม่คุ้มวันนี้เรา มาพบกันในงานเผาศพช่ยเยี่ยนเมื่อวันศุกร์ก่อนอก่อนที่จะตายมีคนจีดไปที่วัดหลายคนช่ยเย็ยนยังมาช่วยแปลหลวงพ่อสอนก็ช่ยเย็ยนช่วยแปลให้อีกสามสี่วันก็ตาย คนดีๆนะเวลาตายคนก็เสียดายชุยเย็นไม่ใช่คนไทยมาจากเมืองจีนแต่มาอยู่ที่นี่มาช่วยทำงานทำประโยชน์และทำตัวเป็นที่รักดูคนไทยมางานเยอะเลยไม่ได้เกณฑมากันเอง หลายงานนะคนมากกว่านี้มีคนอย่างคนใหญ่คนโตตายคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นพันพันบางทีนี่ชุยเย็นเป็นคนธรรมดาเป็นนักปฏิบัติธรรมดาคนที่มาร่วมงานไม่มากเท่าไหร่แต่คุณภาพของคนที่มาเนี่ยมาก ทางปริมาณไม่มากแต่คุณภาพมากร้วนแต่เป็นนักปฏิบัติส่วนใหญ่ประโยชน์ที่เขาทำให้วกวพวกเราโดยเฉพาะแบบคนจีนเขาทำประโยชน์มากช่วยเอาธรรมะหลวงพ่อไปเผยแพร่จิตใจของเขาก็ดี ทำไมเขาดีเขามีความดีหลายข้อนะอย่างข้อหนึ่งเขามีทานแล้วทานของเขาไม่ใช่ทานธรรมดาไม่ใช่แค่ให้วัตถุสิ่งของที่มันให้ง่ายเขามาช่วยทรมทานให้ธรรมะเป็นฐานไม่ช่วยทํางานอยู่ ก็หลายหลายปีนะทำให้คนจีนนะภาวนาเป็นขึ้นมาเนี้ยไม่ใช่น้อยเลยอยารู้สึกตัวเป็นอะไรเนี้ยเรื่องปกติแยกธาตุแยกขันได้แล้วเนี้ยเป็นเรื่องธรรมดาเลยเยอะแยะที่ทำได้เงินเขามีทานที่ดีนะครับก็ทำด้วยใจจริงๆลำพังอย่าลยทำหาค่าจ้างทำงานอื่นง่ายกว่า ที่ทำงานแบบ ต, กตักจำช่วยแย่นช่วยทำงานเยอะแยะเขาก็รักษาศีลมีศีลดีแล้วก็พยายามฝึกจิตฝึกใจของตัวเองจิตก็มีกำลังของสมาธิในระดับที่น่าพอใจอยู่งั้นใจของเขาตั้งมั่น ขณะจะตายก็ไม่ได้ขาดสติตายเลยอยู่กับพระใจอยู่กับพระตลอดในการตายใจอยู่กับพระอยู่กับวัดนะใจก็สว่าง ส, สบายเนี่ยทานเขาก็มีศีลเขาก็มีสมาธิเขาก็มีนะแต่การเจริญปัญญาเนี่ยยังไม่มากพอ ต้องทำอีกก็ไปต่อข้างบนได้สามารถปฏิบัติได้นี่พวกเราที่ยังเหลืออยูเย่เราก็ช่วยกันสืบทอดงานที่ชุยเยี่นเขาเคยทำนะเขาํำร่องมาได้ดีแล้วเราก็ช่วยกันรักษาสืบทอดไปพวกคนจีนก็ให้รี หัดเรียนภาษาไทยเขาหน่อยจะได้ช่วยกันอตอนนี้มีเรียนอยู่หลายคนนะ้ความตายมันมาถึงเราเมื่อไหร่ไม่แน่นอนนะเมื่อไหรก็ได้หลวงพ่อเห็นมาเยอะและ้วปุ๊บปับ๊บตายไปเนี้ยมีให้เห็นประจําเลยเอาแน่นอนไม่ได้บางคนรู้ดวงหน้าว่าจะตาย บางคนไม่รู้ร่วงหน้าในชุวยเยนนะไม่รู้ร่วงหน้าเลยกรรมมันปิดบังไว้ดูยังไงก็ไม่ออกปกติหลวงพ่อก็เป็นคนตาไวนะใครเจ็บป่วยอนะไรเนี่ยเราก็ดูออกแต่ตอนหลวงพ่อป่วยนะ่ะหลวงพ่อรู้ว่าป่วยนะแต่ว่าไม่รู้มเป็นอะไรหายใจไม่ออกตอนที่หลวงพ่อไม่สบาย ชูเย็เนในหลวงพ่อเห็นก่อนเขาตายสามสี่วันเสีววว่วันสี่วันแล้วจวันสุกตายวันพุธใช่ไหมสาวะชิดจันทร์กลางห้าวันหลงพ่อเห็นก่อนตายห้าวันนั้นดูเขาผ่องใสดูไม่ออกว่าป่วยเลยนะถ้าดูออกเนี่ยคุยกับหมอแล้ว มอบอกรักษาไม่ยากหรอกให้ยาค่าเชื้อก็ยังอยู่ได้อีกแค่ค่าเชื้อเท่านั้นเองเชื้อแบคทีเรียไม่ใช่เชื้อายแรงอะไรนี่มันเข้าสมองแต่มันไม่มีใครคิดว่าเขาเป็นโรคร้ายแรงนะเจ้าตัวก็ไม่คิดวันจันทร์เขาชวนไปหาหมอก็บอกไม่ไปอ่ะวันนี้ดีขึ้นละ ความตายเนี่ยมันไม่บอกเราล่วงหน้ามันอยู่ที่ว่าเราพร้อมไหมที่จะตายที่เรามาเรียนกรรมฐานเนี่ยเพื่อมาฝึกจิตใ จ, จตัวเองให้มีความพร้อมที่จะตายเมื่อไหร่ก็ได้คนที่กลัวตายนะเพราะไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่แน่ใจว่าตายแล้วจะไปที่ไหนนะจะเร็ว ลงกว่าปัจจุบันหรือเปล่าเราเป็นนักภาวนาเรามีศีลเรามีสมาธิเราเจริญปัญญาเราก็จะเกิดความมั่นใจขึ้นมาว่าอนาคตถึงเราตายไปอนาคตก็ไม่ตกตำ่ำในตำราเนี่ยเขาบอกว่าคนที่แยกธาตุแยกขันได้ แล้วก็คิดทิจรณาไปว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงหรือจิตใจไม่เที่ยงเห็นความเป็นไกรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของกายของใจด้วยการคิดเอาอันนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาด้วยซ้าไปเขาเรียกว่าจุรโสดาบันโสดาน้อยๆยังไม่ใช่โสดาจริงถ้าเราคิดพิจารณานะเห็น ใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูเป็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูแล้วก็พิจารณาลงไปร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเช่นจิตเมื่อวานสบายจิตวันนี้เศร้าหมองเนี่ยแสดงว่าไม่เที่ยงเห็นความเป็นไตร ล, ลักษณ์ด้วยการเปรียบเทียบสภาวะ คนละช่วงเวลากันเช่นเมื่อก่อนจิตเราดีวันนี้จิตเราไม่ดีเนียกเห็นใจ ร, รักด้วยการคิดเปรียบเทียบเาแบบนี้เรียกว่าจุฬาสวดาบัตคุณสมบัติของจุฬโสวดาบัตคือปิดอบายได้หนึ่งชาติชาติหน้าต้องไปสู้กันใหม่อาจจะตกนรกได้อีกนะงั้นอย่างเราภาวนาไปนะ มันไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกฝึกให้จิตมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วก็ดูลงไปอย่างขนาดเนี้ยพวกเรานั่งอยู่เรากเห็นร่างกายมันนั่งนะร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงนะเมื่อกี้มันไม่ได้นั่งอ่ะเมื่อกี้มันเดินมานะเป็นเพิ่งมานั่งนะร่างกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนะี่ยล้วนแต่ของไม่เที่ยง นั่งอยู่ให้สบายสักพักหนึ่งก็ปวดก็เมื่อยร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายน้ำเดี๋ยวปวดหอือปวดฉี่นะฉี่ก็เจ็บไข้ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่หรือพิจารณาลงไปนะอย่างเมื่อกี้เราก็กินข้าวแลร่างกายนี้เป็นวัตถุ มีธาตุไหลเข้าไปเวลากินข้าวเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวก็ไปขับถ่ายออกมางั้นร่างกายเนี้ยเป็นแค่วัตถุไม่ใช่ตัวเราของเราที่แท้จริงหรอกอาศัยวัตถุธาตุในโลกอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวถึงเวลาก็แตกสลายหรืออย่างเราเจะมาเผาศพเนี้ยก่อนหน้านี้ร่างกายของสุยเย็นเขาก็ยังเดินได้เหมือนพวกเรา ยืนเดิ น, นั่งนอนได้เหมือนพวกเราตอนนี้ทําไม่ได้นะอีกสักพักหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี้จะถูกเผาไปก็ไม่เหลือร่องรอยของความเป็นค น, คนรูปร่างแบบพวกเราอีกต่อไปและจะเป็นกระดูกเป็นขี้เท่าไปเนี่ยอย่างเรามางานศพแล้วก็พิจารณาอย่างนี้นะร่างกายเนี้ไม่นานก็แตกดับเสื่อมสลายไป ไม่มีความเป็นคนเหลืออยู่แล้วเนี่ยดูพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆถึงจะยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะแต่ก็เป็นจุดตั้งต้นที่ดีเวลาที่เราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายแล้วเราก็คอยคิดพิจารณาว่าร่างกายไม่เที่ยงร่างกายถูกความทุบบีบคัน้นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวถึงจุดหนึ่งก็ต้องขืนโลกอย่างนี้เรียกว่า เราพิจารณานะพิจารณาไตรลักษณ์ของกายหรือเฝ้ารู้จิตใจนะเราก็จะรู้สึกว่าจิตใจตอนนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันเนะี่ยเป็นการเปรียบเทียบสภาวะคนละสภาวะจิตในอดีตกับจิตปัจจุบันไม่เหมือนกันเนี่ยแสดงว่าเป็นไตรลักษณ์อันนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าทําได้ก็ดี มันเป็นจุดตั้งต้นของการที่เราจะทำนิพพสนาจริงๆพราะเรามีใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดนะูดูลงในร่างกายดูลงในจิตใจของเราเองที่แรกคิดพิจารณานำไปก่อนว่ามันเป็นไตรลักษณ์แต่ต่อไปจิตมันเคยมองกายมองใจว่าเป็นไตรลักษนณะ์นมันจะมองกายมองใจว่าเป็นไตรลักษณ์ได้ด้วยตัวของมันเองไม่ได้เจตนาเห็น มันจะรู้ได้เองอย่างพอรู้สึกในร่างกายปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกเลยนี่มันไม่ใช่ตัวเราตัวเนี้ยไม่ใช่เราตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เรานั่นรู้สึกได้เองเพราะเราเคยเรามีสมาธิอยู่แล้วแล้วก็มีสติรู้อยู่กับกายนะเคยมีสัญญาการหมายรู้ว่ามันเป็นใจรักเมื่อมีองค์ประกอบเหล่านี้แต่ไปจิตมันมองใจรักได้เอง เราไม่ได้เจตนาจะเห็นว่าร่างกายเป็นไตรลักษณ์มันจะเห็นได้เองตรงที่มันเห็นได้เองเนี่ยเราเจริญปัญญาอย่างแท้จริงแล้วเราทำํำวิปัสนาแล้วเวลาที่ทำํำวิปัสนาเนี่ยไม่ทํานานไม่ได้ทํานานวิปัสน า, าเนี่ยมันเห็นเป็นขณะขณะไปอย่างเวลาที่จิตมันเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเนี่ย มันเกิดชั่วแวบเดียวนะอย่างเราดูร่างกายอยู่เนีเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนอยู่นะอันนี้เป็นสมถะอย่างการที่เราคอยดูกายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเอากายเป็นอารมณ์กรรมฐานเพราะฉะายเป็นอารมณ์มันเดียวที่จิตไปรู้อันนี้คือหลักของการทําสมถกรรมฐานใช้จิตที่สบายๆไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขนะ รู้อารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องรู้ไปอย่างสบายๆจิตก็จะสบงบเหมาะนนการที่เรารู้สึกว่าร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนอนะไรเนี้ยยังเป็นสมถะอยูนะ่แต่บางช่วงบางเวลาเนี่ยซึ่งจิตมันมีความพร้อมสมาธิมันถูกต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานสติถูกต้องะระลึกลงในกายนะ มีสติถูกต้องก็มีสมาธิถูกต้องนะัความรู้ถูกความเข้าใจถูกคือตัวปัญญาจะเกิดขึ้นเวลาปัญญาเกิดนะั้นเกิดชั่วครันงแว บ, บเดียวเองนะงั้นเวลาปัญญาเกิดนะั้นไม่เกิดยาวนะเกิดสั้นๆพอผ่านจุดนี้ไปแล้วนะจิตก็ไปทําสมาธิต่อไปดูกายดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจอะไร นานๆก็จะเห็นรู้สึกขึ้นมาสักแว บ, บหนึ่งมันไม่ใช่ตัวเราของเราหรือมันเป็นตัวทุกข์นะอย่างที่พวกเราภาวนานะพวกเราก็เคยทำกันส่วนใหญ่บางคนนั่งแปลงฟันยืนแปลงฟันส่วนใหญ่ก็ยืนข ย, ขยับขยับอยู่อย่งนี้นะอยูย่ปัญญามันปิ๊งขึ้นมานะมันเห็นไมือที่เคลื่อนไหวอยู่นี้มือเนี้ยไม่ใช่ตัวเรามันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นท่อนๆอะไรสักอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตรงเนี้ยปัญญามันเกิดแล้วมันเห็นได้ประเดี๋ยวเดียวะสมาธิมันตกแล้วมันตื่นเต้นะมันตื่นเต้นเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะมันตื่นเต้นขึ้นมาสมาธิมันเสื่อมลงมามันก็ไม่เห็นใจรักแล้วนั่นใจต้องตั้งมั่นถึงจะเห็นใจรักนี่มันตั้งได้ชั่วขณะชั่วขณะก็เห็นใจรักเป็นขณะขณะไป งั้นปัญญาไม่เกิดยาวนานนะเวลาปัญญาเกิดแนละ้วถ้าปัญญาเกิดหนึ่งชั่วโมงอะไรเนี่ยอันนี้คิดเอาแน่นอนนะปัญญาแท้ๆนะ่ะเกิดชั่วขณะชั่วแว บ, บแปๆเดียวเท่านะั้นเะองโดยเฉพาะโล ก, กุตตระปัญญานะอย่างเราเจริญปัญญาไปด้วยศีล ส, สมาธิปัญญาเราสมบูรณ์นะถึงจุดที่โล ก, กุตตระปัญญาเกิดเกิดขณะจิตเดียวไม่เกิดสองขณะจิตนะ ถ้าเกิดยาวๆไม่ใช่ปัญญามันเป็นความรู้ถูกความเข้าใจถูกนะมันคล้ายๆมันเป็นจุดที่มันคลิกมันปิ้งขึ้นมาเข้าใจขึ้นมาตรงที่มันเข้าใจนะมันชั่วแวบเดียวทันเองนะเหมือนอย่างเราคิดอะไรที่ยากๆเราทำงานเราคิดอะไรที่ยากๆน่คิดคิดคิดตั้งนานจุดที่เข้าใจมันแวบเดียวมันเข้าใจ เข้าใจในช่วงขณะเดียวเท่านั้นเงั้นปัญญาจริงๆไม่ยืดเยอะเท่าไหร่หรอกนะอาศัยมีสติะระลึกรู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อยๆมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะถ้ใจเราเป็นผู้รู้สติะระลึกลงในกายใจเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดเนี่ยมันจะเห็นเลยกายไม่ใช่เราเพราะความเป็นเราเกิดจากความคิด นะความเป็นเราเกิดจากความคิดไม่ได้มีจริงนั้นการที่เรามีจิตเป็นผู้รู้อยู่ไม่ใช่ผู้คิดเนะี่ยพอสติะระลึกลงไปที่ใดมันจะเห็นใจรักได้แต่ถ้าจิตเราไม่เป็นผู้รู้นะหลงคิดทั้งวันเลยกระทั่งคิดเรื่องใจ ร, รักสติระลึกรู้รองไปก็ไปคิดอุตรลดเลยว่ามันเป็นใจรักอันนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงเป็นปัญญาระดับปัญญาจากการคิดเอายังล้างกิเลสไม่ได้ปัญญาที่แท้จริงจากการภาวนานนะมันปิ๊งเดียวเนะจตใจมันจะสว่างสวัยขึ้นมาไม่ต้องบรรลุมากผลหรอกเวลาปัญญาเกิดเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมาในธาตุขันธ์กายใจของเราเนี่ยใจมันจะสว่างขึ้นมา พระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอย่างตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีพระอาทิตเวลาใจมันเข้าใจอะไรสักอย่างขึ้นมามันสว่างสวัยขึ้นมาลนะ่ะสว่างขึ้นมาได้เองยิ่งตอนเกิดอริยมรรคนะจะสว่างมากพวกเทพผลมเนี่ยจะสัมผัสได้เหมือนอยู่ๆก็มีแสงสว่างจ้าวอบเนี่ยววอบเดียวนะ ไม่สว่างยาวๆนะมันวาบเดี๋ยวเขาก็จะตื่นเต้นนะว่ามีพระรยาบุคคลเกิดขึ้นละอีกองหนึ่งละพวกเทวดาที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเทวดาชันจาตุมจากตัวมหาราชเนี่ยก็ดีใจตะโกนโบกเวกกันนะว่ามีพระรยาเกิดขึ้นอีกองหนึ่งละเทวดาที่สูงขึ้นไปก็จะได้ยิน จะบอกกันต่อๆไปโลกธาตุที่ก็สะเทือนสถานวันไหวด้วยเสียงสาธุการของพวกเทวดาเนี่ยเวลาที่ปัญญานะเกิดมันชั่วขนาดเดียวเท่านั้นเองนะแล้วถ้ามันเป็นปัญญาระดับโลกุตตละอย่างเวลาเกิดอริยมรรคทั้งหลายอริยมรรคมีสี่ครั้งนะเวลาเกิดเนี่ยมันกระเทือนโลกธาตุ พวกคนที่จิตใยๆ้วรู้สึกที่รู้สึกเหมือนแผ่นดินไวหวขึ้นมาภาวานาอยู่รู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวตอนที่จิตตัวเองมันล้างกิเลสลงไปที่รู้สึกเหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงเลยนะสว่างวาบเยที่จริงมันสว่างอยู่ที่จิตนะฟ้าไม่ได้มาผ่าจริงหรอกคนทั่วๆไปมันก็ไม่รู้ไม่เห็นนะครูบาอาจารย์ท่านบอกให้พวกมีตาเหมือนตาไม้ มีหูเหมือนหูกระทะคือสัมผัสอะไรไม่ได้เรื่องหรอกนะงั้นพวกเราพยายามฝึกนะฝึกตัวเองให้ได้ตั้งแต่ก่อนที่จะตายค่อยๆภาวนาไปทุกวันทุกวันจิตใจมันจะมั่นคงเด็ดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเรายังไม่ได้ธรรมะ เวลาเราจะตายเราจะทำยังไงดีถ้าคิดถึงคุณงามความดีของตัวเองได้นะก็ใช้ได้อย่างเราเคยทําทานเราเคยรักษาศีลมาได้ดีนะนะเรานึกถึงจิตใจเราเบิกบานเราก็จะไปสุคตินะหรือบางทีก็ต้องอาศัยตัวช่วยนึกถึงความดีของตัวเองไม่ชัดเลยนะี้เรานึกถึงครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ดูท่านสะอาดดูท่านสว่างดูท่านสงบนะดูแล้วสดชื่นเข้าใกล้แล้วมีความสุขเราะระลึกถึงครูบาอาจารย์นะจะบอกให้ะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็แบลง้งนะไม่รู้พระพุทธเจ้าเป็นยังไงนึกที่ไรก็นึกได้แค่พระพุทธรูปนะนึกไม่ถึงพระพุทธเจ้าพวกเรายัางไม่เห็นพระพุทธเจ้า วันใดที่ได้ธรรมะเราจะเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นองค์องค์อย่างนี้หรอกเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆนว น, นถ้าเราใกล้จะตายเรานึกถึงความดีของตัวเองไม่ออกเรานึกถึงคนที่เขาดีๆเนึกถึงครูบาจารย์นึกถึงคนดีสมมติ ใจเรามันก็จะเบิกบานขึ้นมาใจมันจะเชื่อมต่อกันเบิกบานสว่างสวัยขึ้นมาได้ชูเย็นตอนจะตายนะเราลึกถึงครูบาอาจารย์จิตที่เขาสว่างขึ้นมางั้นเราเตรียมตัวให้พร้อมนะเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ วิธีเตรียมตัวให้พร้อมคือพยายามสร้างความดีไว้ความชั่วยอย่าทำนะอย่างเราทำทานเราถือศีลเราจเจริญเมตตาอนะไรเงีนะ้ยเวลาชวนตัวจะตายมีตายแหลอยู่แล้วใกล้ตายเนงะี้ยนึกถึงความดีของตัวเองถ้านึกถึงความดีของตัวเองไม่ได้นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงครูบาอ า, นะาจารย์ถ้านึกถึงครูบาอาจารย์ไม่ออกทำยังไง เราใช้มาตรการเด็ดขาดในกรรมฐานนะคือดูร่างกายมันตายนะดูร่างกายมันนอนอยู่ร่างกายมันหายใจอยูนะ่ไม่รู้ลมหายใจจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เนี่ยเรามีสติเราลึกรู้เห็นร่างกายมันจะตายใจเราเป็นคนดนะูแต่จะทำอย่างนี้ได้ต้องฝึกให้มากๆหน่อยนะไม่งั้นนึกไม่ได้ เห็นร่างกายตายใจเป็นคนดูดูไม่ทันนะ่กายเป็นกูจะตายแล้วนะเราจะตายแล้วอย่างงี้ดูร่างกายนะหรือไม่ที่ง่ายกว่านะั้นยดูไปว่าร่างกายนี้ใกล้จะตายแล้วอย่าปฏิเสธความตายนะรู้ว่าความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอนะตอนนี้เรากำลังจะเจอแล้วนะนี่เรียกว่าเรามีมรณสติ มีมรณะสติอยู่เราลึกถึงแต่เราจะระลึกตอนตายได้เก่งอเราต้องหัดระลึกตั้งแต่ยังเป็นเป็นนะทุกวันนั่งสมาธิเสร็จไหวพระสวดมนต์แล้วรหรืออะไรหรือว่าจะก่อนปฏิบัติก็ได้นะไหวพระสวดมนต์แล้วก็พิจะะารณาความตายไปนะไม่นานร่างกายนี้ก็จะแตกดับนะเพรงั้นก่อนที่มันจะแตกดับเนี่ยเรามาปฏิบัติทำเอาร่างกาย ซึ่งเป็นของไม่แน่นอ น, นมาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างคุณงามความดีให้จิตใจของเราเนี่ยถ้าเราฝึกอย่างนี้มาก่อนที่จะแกล้งนะตอนที่เราจะตายเนี่ยเราจะไม่หวัน่นไหวเราจะเห็นว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามีสัตว์ที่ไม่ตายอันนั้นผิดธรรมดาไม่มนะีไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ตายไม่มีสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับ ทุกสิ่งที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเมื่อนทุกวันพิจารณาความตายนะหรือมีสติรู้ร่างกายนะดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราถ้าฝึกได้อย่างนี้เราจะไม่กลัวตายเวลาจะตายเราจะเห็นว่าร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายนะเนี่ยถ้าเราเคยดูกายว่ามันไม่ใช่เรานะมีกายยะคตาสติระลึกอยู่ในกายเรื่อยๆเห็นกายไม่ใช่เรา หรือมีมารณสติระลึกถึงว่าความตายเป็นเรื่องปกติก็ดีตายแล้วจะได้ไปเกิดใหม่นะรักษาศีลมาดีแล้วเกิดใหม่จะได้สวยสวยนะสวยกว่านี้นะมีศีลแล้วเกิดมาสวยนะงั้นถ้าหน้าตาเราไม่สวยนะีก็รักษาศีลให้ดีอย่างคนกิเลสมากๆหน้าตาน่าเกลียด คนเวลาโมโหหน้าตาหน้าดูไหมหรือหน้าเกลียดคนเวลาโลภอยากขโมยของชาวบ้านเขาหน้าตาน่าเกลียดคนเวลาหลงหน้าตาเขาน่าเกลียดนะคนหลงแน่เต็มโลกเลยรวมทั้งเต็มศาลานี้ด้วยนะหลงไปเวลาหลงัใจมันหนีไปมองไม่เห็นนะแล้วเรารู้ตัวขึ้นมานะดูหน้าตัวเองในตอนหลงนะ่ะ อนีนะ้หลงหน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยคอยรู้สึกตัวรู้สึกไปเรื่อยค่อยๆฝึกสะสมคุณงามความดีไปถึงจุดหนึ่งวันที่เราจะต้องตายเราจะไม่หวั่นไหวคนจำนวนมากนะเวลาจะตายเนี่ยจะมานึกได้ ว่ายังไม่ได้ทำดีเรื่องน้อนก็ยังไม่ได้ทำเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ทำอยากจะทําทมันทำไม่ได้แล้วมันสายเกินไปแล้วเพราะ้นความดีนะทำตั้งแต่วันนี้เลยอย่างขนาเนี้ยเราทําความดีได้เรามีสติรู้เนะื้อรู้ตัวอยู่เมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความดีจิตเป็นกุศลทันทีเลยถ้าเรามีสติเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นชั่วทันทีเลย อากุศล์มันจะเข้ามาตอนขาดสติงั้นเราพยายามรู้เนือ้อรู้ตัวไปเรื่อยๆนะรู้ตัวได้แล้วก็ค่อยๆดูไปกายอยู่ส่วนกายใจอยู่ส่วนใจนะค่อยๆแยกไปความรู้สึกทั้งหลายก็อยู่ส่วนความรู้สึกไม่ใช่กายอย่างความสุขเนี้ยไม่ใช่ร่างกายความสุขไม่ใช่จิตใจนะแยกออกจากกายแยกออกจากใจใจเป็นผู้รู้ผู้ดูไปนะเดินปัญญาเรื่อยๆไป ถ้าเราเดินปัญญาได้ได้ธรรมะได้โสดาได้อะไรเนี้ยเรามีความปลอดภัยนะว่าเราจะไม่ไปเกิดในอบายแน่นอนจะ ต, ต้องอยู่ในสุขติภูมิเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอะไรเงี้ยได้เป็นแนนะ่แต่ว่าถ้าเราก็มีความชั่วที่เราสะสมมาเราไม่ได้ทำแต่ความดีความชั่วเราก็ทำนั้นถึงจะเป็นโสดาบันนะไปเกิดใหม่นะ กรรมชั่วก็ยังตามมารางวานได้ไม่ใช่พระโสดาสบายทุกองบางองค์ก็เกิดในตระกูลต่ำนะเป็นทาสเขาอะไรเงี้ยบางบางท่านเกิดมาถูกทำร้ายถูกทาร้ายก็มีขนาดเป็นพระลรหันแล้วกรามนะชั่วก็ยังตามให้ผลได้ไม่ใช่ดีได้นะักกรรม นีหนีไม่ได้อนะอย่างพระพุทธเจ้าเราว่าท่านดีที่สุดแล้วนะท่านก็ยังมีกรรมชั่วให้ผลท่านนะอย่างท่านต้องถูกคนด่านะก็มีกรรมของท่านนะท่านจะต้องเจ็บป่วยจนถึงกระถ่ายเป็นเลือดนะก็มีกรรมของท่านท่านบอกไว้หมดเลยนะว่าตัวนี้เกิดจะกรรมอะไรเกิดจะกรรมอะไรท่านก็บัดใหญ่ได้พวกเราไม่รู้หรอก ว่าอันนี้มันกรรมตัวไหนนะงั้นที่ดีที่สุดนะพิพากษาตัวเองไดนะ้รู้เลยว่าตัวเองนะมีความดีเยอะนะถ้ารู้ตัวเองว่าดีเยอะแนละ้มันจะไม่กลัวตายน ะ, ะไม่กลัวความตายเกิดขึ้นนอนดูร่างกายมันตายคนที่ ความดีเต็มร้อยนะคือพระอรหันต์นั้นเวลาพระอรหันต์จะนิพพานเนะี่ยพระอรหันต์จะเบิกบานเพราะว่าตัวทุกข์คือตัวร่างกายเนะี่ยมันกำลังจะตายตัวทุกข์มันตายนะไม่ใช่ตัวดีตายแล้วนะค่อยๆฝึกไปแล้ววันหนึ่งเราจะไม่กลัวความตายนะเวลาเห็นความตายเกิดขึ้นนะจิตจะเบิกบานนะ อย่างหลวงพ่อนะตอนเตี่ยหลวงพ่อตายประมาณปีสองเจ็ดนานนักหนาแล้วเตี่ยหลวงพ่ออายุหกสิบนิ ด, น, ดนิดเองอะ่ะเป็นเบาหวานแล้วต่อมาเป็นโรคไตไตาวายแล้วตายตอนที่ตายหลวงพ่อก็ไปยืนดูอยู่นะจิตใจของหลวงพ่อเบิกบานไม่ใช่เบิกบานว่าได้มรดกนะไม่มีมรดกอะไรหรอก แต่ว่าใจมันเบิก บ, บานมันเห็นว่าชีวิตเนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นเรื่องธรรมดาเพมาะนันใจเนี่ไม่หวั่นไหวนะกระทั่งคนที่เรารักตายไปก็ไม่หวั่นไหวใช่ไหมหรือยังหวั่นไหวอยู่ถ้ายังหวั่นไหวอยู่ไปฝึกอีกยังฝึกไม่พอนะค่อยๆฝึกไปวันนี้หลวงพ่อกระเทศมา เกินเกินที่เขากำหนดให้แล้วล่ะเดี๋ยวลงพ่อดูนาฬิกาเอาต่อไปเราก็ควรจะเตรียมตัวย้ายสถานทีนะ่ไปที่เมนได้แล้วมั้งพอไปถึงเราก็เริ่มเผาเลยนะเราจะได้กลับบ้านนะพอมันเป็นเรื่องปะกะตะิอนะ่ะเป็นเรื่องปะกะตะิ สมควรแก้เวลานะ